เทศอบรมพระวันที่ห้าธันวาคม 2,522 เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้พูดทางการปฏิบัติเพื่อสันติโกเป็นสำคัญยกกาลมาสูตรเป็นตัวอย่างอันเป็นธรรมขั้นสูงและกล่าวเรื่องมัชิมา ของผู้เข้าสู่แนวรบเท่านั้นจะเป็นผู้รู้จักใช้มัชถิมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำหายสงสัยในธรรมทั้งหลายธรรมของพระพุทธเจ้าลงในความคืินได้ด้วยการพิสู่ของผู้ปฏิบัติ สงกับที่พระอง์นึกทรงสแสดงแก่กาลามชนในกาลามสุอยให้เชื่ออยากเชื่อคือไม่เชื่อตามครูตามอาจารย์ทำตำลับตำลา ไม่เชื่อทำบุคคลที่ควรเชื่อได้เป็นตน้นทำที่กล่าวนี้หมายถึงทำที่จะพึงรู้จริงเห็นริงจากภาคปฏิบัติเองมอบให้รู้จากภาคปฏิบัติริงจากภาคปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ต้องการเอาความรู้ความ ริงจากผู้หนึ่งผู้ใดแม้พระศาสดาก็พระองค์ก็ไม่ทรงประสงค์จะให้รู้จากพระองค์โดยให้มาเป็นความจริงของตัวเองต้องให้รู้จากตัวเองเพราะความริงที่ตนรู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติอย่างแท้จริงเนี่ยในธรรมนี้เป็นธรรมขั้นสูง เพืไม่ให้เชื่อตำการตำหลักตำลาตามธรรมดาต้องเชื่อเชื่อครูเชื่ออาจารย์ต้องเชื่อนันทั่วๆ่วไปแต่ต้องเมื่อจะเอาจริงเอาจังให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัตย์จริงกันจริงๆ จ, จ, จากการปฏิบัติต้องให้จริงรู้จริงถึงจริงด้วยการปฏิบัติของตนเท่านั้น ที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือปัจจังเวทิตาโบยังอยู่ท่านจงหมายอย่างนี้เป็นทำขั้นสูงทำขั้นทั่วทั่วไปก็จำต้องเชื่อครูเชื่ออาจารย์แต่พอถึงขั้นปฏิบัติแล้วต้องเชื่อขึ้นด้วยความจริงของตัวเองที่เกิดขึ้นกับตนโดยการปฏิบัติของตนไม่ว่าพระพุทธเจ้า ไม่ว่าพระสาวกองใดร้อยครั้งร้อยพระองค์เองก็ทรงรู้ด้วยการปฏิบัติของพระองค์เองพระสาวกก็รู้ด้วยการรู้จริงด้วยการปฏิบัติของท่านเองทงั้งหลายไม่ยอมคือไม่ต้องการแต่ความรับรองของผู้ใด ไม่ต้องการจากความเชือ่อถือของผู้ผู้อื่นใดนอกจากความเชือ่อตัวเองด้วยความจริงที่รู้ขึ้นกับตนเนื่องจากการปฏิบัติของผลเท่านั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงสำเร็จมาจากการพิสูจน์ของพระองค์ในภาคปฏิบัติก็ทรงทำ หลายแง่หลายกระทงเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นและไม่มีใครเคยรู้เคยเห็นมาก่อนด้วยแม้แต่คนเดียวรายเดียวพอที่จะมาแนะนำการวิวธีดาเนินการให้พระพุทธเจ้าทรงทราบและจะทรงดาเนินตามนั้นเป็นเรื่องของพระองค์ ทรงคิดค้นคว้าด้วยกระสติปัญญาของโทคเองทางนั้นจึเงเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองในขณะที่รู้เพราะทรงปฏิบัติค้นคว้าเองโดยลำพังพระองค์ทั้งที่ไปศึกษาตามสำนักต่างๆเช่นดาบททั้งสองเป็นต้นนั่นก็ไม่ใช่ทางแห่งความรู้จริงเห็นจริงจึงทรงลดละ วิธีการนั้นเสียและมาทรงอดพรกยกาหารโดยที่ทรงมุ่งหวังจะตรัสรู้ธรรมด้วยการอดพระกาหารเพียงอย่างเดียวไม่มีการประพฤติปฏิบัติอันถูกทางใดๆเคื่อแฝงเลยก็ไม่สำเร็จจึงได้ทรงเปลี่ยนแปลงจากวิธีการอดพรกยกาหารนั้นย้อนกลับมา การเสวยพระกยาหารและมีธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องเพื่อมากเพื่อผลเพื่อการแต่สะรู้จริงๆคืออนาปานสติที่ทรงระลึกย้อนหลังในคราวที่ทรงทายาตอนคือพระราชบิดาอาพระเรียกนาขวาัญ พระองค์ทรงบำเพ็ญในขณะนั้นนั่นแหละเป็นคติอันดีที่พระองค์จะรงนำมาเป็นวิธีการดำเนินเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในความปีนทั้งหลายจึงได้ทรงบำเพ็ญด้วยอนาปาราติในคืนวันแรกที่จะแต่ชะลูนั้นจรูปแล้วก็เอยกว่าพระองค์ทรงค้ขนขวายด้วยพระองค์เอง มีพระสติกำลังความสามารถเพียงไรก็ทุ่มเทลงเต็มความสามารถปฐมยามกาทรงสร้างเป็นธรรมประกอบยือรยุชาติถอยหลังได้ย้อนหลัง อดีตชาติของโกล์เป็นมาอย่างไรอย่างไรได้แม้จะไม่เป็นภูมิแห่งาาศาสดาที่กำลังจะตรัสรู้หรือแล้วก็ตามแต่แก็เป็นพยานที่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นเป็นความรู้ขึ้นมาจากการปฏิบัติทศมัชมายามก็ทรงรู้ปุตุปาตยาน คือความตุติไม่แต่ความเคลื่อนและความเกิดความตายของสัตว์แล้วพูดง่ายๆว่ายอย่างนั้นพะถึงปิมยามก็ตรงตรัสรู้เป็นอาสวะคยายานเกิดขึ้นนี่ทรงมํ่มเพนอไอที่เป็นรากฐ า, านสาคัญให้ได้รู้ในธรรมทั้งสามประเภทนี้ขึ้นมา แต่พ อ, อย่างยิ่งประเภทสุดท้ายคืออวสุภเพรญทรงบำเพ็ญอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เป็นพื้นฐานในเบื้องตน้นจนพระกิจมีความสงบเยือเกเยน็นปราศ จ, จากความกังวลวุ่นวายที่กิตจะต้องสายแสออกแสวงหาอาหารอันเป็นวิสัยของกิเลส ไม่มีความเพียงพอมาตั้งแต่ก่อนก็ระงับดับไปหมดเมื่อจิตใจมีความใสสะอาดก็เหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดสามารถรู้สิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในน้ำนั้นสิ่งที่เคยเป็นไปในจิตเป็นมาของจิตก็ทรงทราบย้อนหลังไปเช่นบุคเเพนิวาสารุสิยา กตุปาตยาเป็นผลที่พลอยได้ในการปฏิบัติโดยถือพระอน า, าปานให้ิตเป็นรากฐานสันมผัสเมื่อจิตมีพระจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วคนขนาดผู้ที่จะจัดสรุรรมเป็นศาสดาสอนโลกดีแล้วทำไมจะนิ่งนอนใจไม่พิจารณาทางด้านปัญญา ปัญญาก็ใช้ในขนาดที่จิตละเอียดอยู่ในอนาปานัสตินั่นแหละจิตสงบก็เรียกว่าสมุทัยสงบตัวความกระเพื่อมของจิตแต่ละขณะขณะที่จะแสดงตามเรื่องของสมุทัยคือกิเลสกดปากฏขึ้นมาพระสติปัญญา ซึ่งพร้อมที่จะพิจารณาหาความจริงทั้งหลายก็ต้องค้นคว้ากันในเวลานั้นเมื่ออวิชชาปัตติยาสร้างข่าราสร้างขาราปัตติยาวิญญาณเป็นแถวเป็นแนวไปนี่เป็นอาการของอวิชชาที่ท่านบรรยายไปนี้ไม่ใช่วิธีการละอวิชชาเป็น เพียงอาการของอวิชชาท่านเล่าตามอาการเขียนไว้ตามอาการของการพิจารณาอวิชชาและดับอวิชชานั้นไม่ใช่วิธีการถอดถอนอวิชชาและดับอวิชชาวิธีการของการถอดถอนอวิชชาที้เกลียดต่างๆซึ่งเป็นบริษัทบริวารของอวิชาตลอดถึงการฆ่ามรรยาอวิชาให้จม ลงพื้นแห่งส ม, มุิทั้งมวลเหลือแต่พระจิตที่บริสุทธิ์้นล้วนนั้นเป็นพระสติปัญญาต่างที่ทรงพิจารณาเทียบเทียงให้ได้สัดได้ส่วนทุกแง่ทุกมุมนี่วิธีการแห่งการดับอวิชชาคือพระสติปัญญาดับด้วยพระสติปัญญาเมื่อทรงดับกิเลสมีอวิชชาเป็นสำคัญ โดยสิ้นเชิงแล้วจึงทรงสแสดงอาการของวิชาตั้งแต่วิชาขึ้นมาเป็ น, น, นระดับอวิชาปฏิยาสร้างข้าราอาวิชาทํำไมเกิดสังการทั้งการเกิดยิงยันเขาว่าต่อกันไปเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติจะไปพิจารณาให้เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงขึ้นอยู่กับการพิสูจน์คือปฏิบัติด้วยตัวเอง เป็นของสําคัญดังองค์พระศ า, าสดาที่ทรงเคยเป็นศาสนามาก่อนพวกเราทั้งหลายและประธานเทววราชไว้พระองค์ทรงพิสูจน์ด้วยการค้นขว้ากิริพิพจรนาที่เรียกว่าภาพ ป, ปฏิบัติจนในรู้แจ้งเห็นจริงมิรู้แจ้งแทงตลอดโดยจะทำทั้งหลายอาวิชาก็ดับไปถ้าเพียมาแจ้งเรื่องอวิชาไว้ มาอาการทั้งมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ทั้งหมดนี้ท่านเรียกว่าสมุรโยโหติอในเบื้องต้นของอวิชญาเกี่ยวิชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้ารปฏิยาบิญญ า, ญานางเลื่อยไปจนกระทั่งถึงเอวเมตตาสกีวรัสสานุกขคันดัสส์สมุรโยโหติเหล่านี้เป็นอวิชญาเป็นสมุทัยทั้งนั้นสมุรโยนโยโหติเป็นสมุทยัยแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งหมด เมื่ออวิชาดับอวิชาจตะเววะเสสุวิราลานิโรธฐาสร้างข้ารานิโรธถสร้างข้ารานิโรธาวิญญาณานิโรธจนกระทั่งถึงนิรุชันติเมื่อวิชาดับอันนั้นนั้นก็ดับดับดับดับไปพร้อมกันนั่นว่าก็เหมือนอย่างต้นไม้ เมื่อมันอย่างรากแก้วแล้ะรากขอยขึ้นมาเป็นต้นแล้วมันทําไมมันจะไม่แตกขแขนงออกไปล่ะต้องแตกไปโดยลำหดับนั้นก็แตกันนี้ก็แตกแตกไปโดยลําดับลำยาวขึ้นมาเพราะทอนถ อ, อนมันขึ้นจากดินเท่านั้นทุกอวัยวะของต้นไม้นั้นก็ดับไปรพร้อมๆกันหมดเพราะการถอนมันเป็นประโยชน์สคัญนั้นเท่านั้นนี่ท่านเล่าอาการอย่างนี้ต่างหา แต่วิธีการถอนนั่นถอนอย่างไรพิจณาอาวิชชาแล้วพวกเราที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วอย่างนั้นท่านถึงสอนให้พิจณาอย่างไปตามความจำเป็นของตัวตั้งแต่แบบเพื่อความสงบด้วยวิธีการต่างๆในด้านสมถะภาวนาแล้วกับ พิจารณาทางด้านปัญญาท่านเรียกว่าตัดตลุณะวิปั ส, สนาวิปั ส, สนาอ่อนๆไปตามขั้นของสมาธิแล้วก็ค่อยๆกว้างขวางออกไปแยบคลายออกไปเข้าใจไปเรื่อยๆถอดถอนความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทำ ง, งานเรื่อยๆจนกระทั่งวงแคบเข้ามา เพราะข้างนอกก็เดีพิจารณาแล้วรูปไม่ว่ารูปประเทใดเดีพิจารณาเป็นอนันตรทุกขังหน้าตารูปที่เป็นห้าสึกต่อจิตใจของคนมีกิเลสที่สุดก็คือรูปตรงกันข้ามรูปหญิงรูปชายแยกแย ก, แยกพิจารณาไปในธรรมซึ่งเป็นแย่ที่จะเป็นคู่ปรับต่อกันได้แก่พิจารณาปฏิคูณอสุภะอสุพัง ภาพไม่สวยแม่งามซึ่งเป็นหลักความจริงประจำร่างกายของคนเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ประเภทต่างๆเห็น่าให้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆ ส, กสกักๆจนเป็นที่เข้าใจเห็นได้ชัดซึ้งภายในใจเมื่อได้ซึ้งถึงใจอย่างเต็มที่แล้วการพิจารณาเหล่านี้ก็หมดปัญหาไปเอง เพราะจิตใจได้อิ่มตัวเชื่อความจริงแล้วว่าหนึ่งเป็นอธสุภะเป็นของปฏิกูลจริงสองเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจริงไม่ควรจะยึดสิ่งเหล่านี้มาเป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจมาเป็นเรามาเป็นของเราทั้งภายในร่างกายเราก็มีลักษณะเช่นเดียวนั้นไม่ผิดจากกันแม้แต่ น, อน้อย สิ่งนั้นก็เป็นเหมือนสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเหมือนสิ่งนั้นต่างอันต่างเป็นอรูปะอรุปังเป็นของปฏิกูลโศครกด้วยกันเรายังจะมังงมเอาฝืนความจริงของโอเดยเจ้าว่าสิ่งอ่านี้เป็นเราเป็นของเราก็เท่าเข้ากับเราไปโกยเอามูดเอาคูดอยู่ในส้วมในฐานขึ้นมาขยี้ขายำสูดดม หรือดื่มกินนั่นเองก็เมื่อเห็นชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูลอย่างนั้นแล้วจิตจะประยุทธ์ได้อย่างไรถือได้อย่างไรนี่คือความซึ้งของใจเพราะการพิจารณาซ้ำๆสักๆจนเป็นที่เข้าใจจิตก็ปล่อยวางนี่อุบายวิธีการพิจารณาอวิชาแขานงของอวิชาบริษัทบริวารของอวิชาซึ่งเป็นกิเลสทั้งมว มันก็เกี่ยวรวงกับตัววิธาแต่ยังไม่สามารถติดเาเขา้เขาถึงองค์กษัตริย์วัฏจักรได้ก็ต้องถากทางเข้าไปถากทางเข้าไปจนกระทั่งสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้รูปนอกรูปในขันนอกขันในอย่างยิ่งรูปประขันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีทางสงสัย ดูเมื่อไรก็ซึ้งอยู่อย่างนั้นตามความจริงไม่ปีนเกลียวทามไม่ลื่อดึงไม่ฝ่าฟื้นคําสอนของพุทธเจ้าที่ว่าเป็นปฏิปูลเป็นอสุภะอสุปภัณ์หรือเป็นอันนี้จังทุกขังหน้าตาน้อมไปทางอรูปะก็ซึ้งว่าเป็นความจริงปฏิปูลโสโครกประการต่างๆทั้งเขาทั้งเราเป็นเหมือนกันทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีใครยิ่งด อ, อนกว่าใครจิบได้ทราบซึ้งไม่ปีนเกลียวกับธรรม อันนี้จังลุกขังนาจ า, าแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาทั้งที่มันว่ามันเป็นกฏิกูลมันยังแปลของมันไปอีกแปลไปจนสุดฉีดแห่งความปฏิกูลลงถึงความเป็นธาตุเดิมของมันรู้ซึ่งไปตามนั้นแหละจิจมันจะไปยึดไปถืออะไรดินทั้งแผ่นน้าทั้งบึงทั้งหนอง ดูทุกแห่งทุกหนมีแต่น้ําในกล่องเราก็น้ําก็ทราบได้ว่าน้ําแล้วยังเจมฝืนไปยึดบ้าน้ำนี่เป็นเราเป็นของเราได้อย่างไงเนี่ยลมก็คือลมหายใจเป็นต้นมันก็ลมก็เป็นลมอยู่อย่างนี้ข้างนอกก็เป็นลมข้างในก็เป็นลมแล้วเอาลมมาเป็นเราเป็นของเราไปรักชอบหลงงมงายในลมได้อย่างไงไฟนะเห็นกันอยู่ไฟเป็นไงธาตุไฟ ถ้าซึ้งแล้วมันก็ลงลงถึงความจริงทุกอย่างดินก็ลงถึงดินอย่างเต็มภูมิของจิตน้าก็ลงถึงน้ำลงถึงลมถึงไฟเต็มที่ด้วยความทราบซึ้งไม่มีทางสงสัยไม่ต้องบอกเรื่องอุปทานความยิดมั่นถือมั่นถอนตัวเข้ามาทันทีทันใดเมื่อพอแล้วพอตัวแล้วนั การกวาดต้อนกิเลสเข้ามาหรือการปราบปรามกิเลสทอดถอนกิเลสทอดถอนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความภาเพียรจนเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นตามความจริงเรียกว่าอาจาระศรัทธาหาความโยกคลอนไม่ได้ถ้าลงได้เชื่อตามหลักปฏิบัติโดยทางสติปัญญาแล้ว แต่ได้รับความซึ้งใจถึงความจริงเหตุธรรมหาที่ค้านทำความพระพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อจิตไม่ค้านทำจิตก็มีความสะดวกสบายไม่ก่อภัยเทาหล่นตัวเองจิตที่ค้านหลักธรรมคือความจริงนั่นแหละเป็นจิตที่ก่อปืนก่อไฟหรือก่อภัยมาทําลายตัวเอง ท่านจึงสอนอย่างนี้มีวิธีการกับเล่าเรื่องความเป็นไปของกิเลสของอวิชชากับวิธีการปฏิบัติต่อกิเลสต่ อ, อวิชานั้นต่างกันอย่างนี้ถึงเรื่องเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาจะพ่ออย่างยิ่งสุขทุกขผู้เบกขาเวทนานในรูปปะขันเป็นสําคัญ ในขั้นนี้ต้องถืออันนี้เป็นสําคัญกว่ากิตตเวทนาเมื่อเข้าใจทุกขเวทนาสุขเวทนาเฉพาะยิ่งทุกขเวทนาในอย่างชัดเจนระหว่างรู ป, ปขันธ์กับเวทนาขันธ์ที่มันเข้าเกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวโยงกันด้วยความสําคัญมั่หมายของเราเนี่ยมันแยกกันออกได้ยากการ แพ้กับแพ้กันตรงนี้เวลานั่งภาวนานานๆเจ็บปวดขึ้นมามากไม่สามารถที่แยกแยะทุกขเวทนาที่แทรกกันอยู่ในรูปประขันหรือเวทนาขันทุกขเวทนาขันแทรกหรือกลมคลืนกันอยู่กับรูปประขั น, น, นส่วนใดส่วนเช่นกลมคลืนกันอยู่ในเนื้อหรือในหนังในเอ็นในกระดูกท่อนใดชิ้นใดก็ตามมันจะถือวันนั้น เป็นเป็นเราเป็นของเราและนั้นเราเป็นทุกขนะ์นั้นตรงนั้นของเราเป็นทุกข์ตรงนี้ของเราเป็นทุกข์เลยกลายเป็นเราเป็นทุกข์ขึ้นมานี่ เ, เรื่องของกิเลสมันแท่ที่ อ, อย่างนี้จึงต้องได้พิจารณาแยกตามหลักของสติปัญญาไม่ไม่ต้องต้องวาดภาพไม่ต้องคาดต้องหมายลงตามความจริงเลย ทุกไปยังไงก็พิจารณาตามเรื่องของทุกที่มันเป็นดูกับอวัยวะส่วนใดแยกดูอวัยวะส่วนนั้นให้ชัดเจนและแยกดูทุกขเวทนาที่มันแทรกถิ่นอยู่ในอวัยวะส่วนนั้นอีกให้ชัดเจนเหมือนกันจนเป็นที่เข้าใจแล้วมันก็แยกกันเองสุดท้ายมันก็วิ่งเข้ามาหาจิตเป็นกระแสะของจิตที่ออกไปสําคัญมันหมายโดยไม่รู้สุกตัวพอเข้าใจในเงื่อนทั้งสองนี้แล้วมันก็เข้ามาสู่ใจใจก็เลยกลายเป็นความจริงขึ้นมาด้วยกันทุกเวทนามันก็ดับได้ การพิจารณานี่แหละคือการพิสูจน์หาความจริงการพิจารณาหาความจริงด้วยภาคปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นความจริงขึ้นมาจากภาคปฏิบัติโดยไม่สงสัยดังธรรมบุตรเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วทุกอย่างจากภาคปฏิบัติทั้งหมวไม่มีภาคแห่งความจดจาที่จะนํามาสอนโลกเลยนี้แต่เหตุ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นภาคปฏิบัติของพระองค์ ทรงได้ปฏิบัติมาแล้วผลก็เป็นภาคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ทรงได้รู้เห็นมาแล้วอย่างเต็มประทยัยนำมาสั่งสอนโลกเมื่อการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วทั้งเหตุทั้งผลเรื่องเป็นธรรมความจริงม่นล้วนนี่เราพูดที่จะพิจารณาให้เห็นความจริงสมัครตัวของเราเองก็ต้องพิจารณาดังที่ว่านี่เป็นภาคปฏิบัติ ทั้งยานี่สําคัญมันแทรกได้อย่างละเอียดและออมมากเหมือนกับกระดาษจึงแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปโดยเราไม่รู้สึกในอาการแห่งขันทั้งห้านี้ขณะใดาที่เหมาะสมถนัดกับขันใดจะพิจารณาขันใดถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นไม่จําเป็นจะต้องพิจารณาขันนี้แล้วต้องต่อไปขันนั้นต่อขันนั้นมันกลายเป็นเรื่องโครงการไป ไม่ใช่โครงปฏิบัติโครงปฏิบัติต้องลงในหลักปัจจุบันธรรมถ้านักในขันใดพิจารณาขันนั้นแล้วมันกระจายไปถึงกันหมดเพราะมันเกี่ยวโยงกันอยู่ทั้งตัวแยกออกเป็นอาการอาการเรียกว่าขันว่าขันว่าหมวดว่าหมวดว่ากองเฉยๆความจริงก็มันอยู่ด้วยกันนั่นแหละสังขานก็มีแต่ปรุงเป็นเรื่องสติปัญญาไม่มาปรุงหลอกตนเอง เพราะปัญญาก็เป็นสังขารสังขารเป็นได้ทั้งสมุทัยเป็นได้ทั้งมรรคสังขารที่ปรุงในทางผิด ก, ก็เป็นสมุทัยปรุงในทางถูกก็เป็นมรรคคือสติปัญญาแล้วเอาเพียงแค่นี้ไม่ต้องเอามากเพียงเวทนาสัญญาสังขารมีน ญ, ญาณที่เป็นดุกั บ, บขันห่านี้พอทราบนี่แล้วมันก็เข้าสู่ภายในใจอีกสุขเวทนาภายในใจ ทุกขเวทนาภายในใจอันเป็นส่วนละเอียดตามขั้นภูมิของจิตของธรรมซึ่งมีอยู่กับใจด้วยกันนั่นแหละก็พิจารณาโดยทางปัญญาอีกเช่นเดียวกันสุขมันเกิดขึ้นทุกข์มันเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าสุขนี้คือสุขเวทนาทุกนี้คือทุกขเวทนามีอยู่ทั้งภายในใจและในร่างกายเหมือนกัน เมือ่อจิตได้พิสูุน์รู้แจ้งเห็นจริงตามขันดังที่กล่าวมาแล้วนี้กิเลส จ, จะไปซุ่มซ่อนอยู่กับขันใดความลุ่มหลงความยึดถือมันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นจะซุ่มซ่อนแทรกซึมอยู่ในขันใดไม่เนีเพราะสติปัญญาตีตะล่อมเข้าไปหมดแล้วคลี่คลายดูหมดมีแต่เรื่องของขันสัแต่ว่าขัน ขันใดก็สักแต่ว่าขันเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารูปก็สักแต่ว่ารูปประขันเช่นร่างกายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็สักแต่ว่าอาการซึ่เกิดขึ้นนะตั้งตั้งอยู่แล้วดับไปสัญญาก็เป็นเพียงอาการของกิจที่แทรกซึมออกไปทังคางคือความคิดที่ปรุงขึ้นทั้งดีทั้งชั่วแล้วดับไปดับไปผลดูท่าก็มีแต่ความเกิดความดับเท่านั้นหาสาระแก่นสารกับสิ่ใดไม่ได้ กระถึงหิน ญ, ญาณสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ดับไปพร้อมกับความสัมผัสสัมพันธ์มีหลักวิธีการทําลายกิเลสหินก้านสาขาของวิชาไปจากความหลงรูปเสียงกลิ่นรสความสัมผัสไปจากความหลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวย ญ, ญาณนี่แหละไม่ไปจากไหนนี่เป็น สถานที่หรือเป็นทำเลหาอยู่หากินเป็นทำเลปกครองเป็นทำเลยึดถือของอภิชาเพราะมีบริวารมากสถานที่กว้างขวางมากเมื่อได้ถูกตะล่ตีต้อนเข้ามาด้วยสติปัญญาชัดชาความเพียนแล้วก็จะรวมตัวเข้ามาดังที่กล่าวนันไม่มีที่เกาะ จะไเกะรูปก็ทรบาบทัดแล้วโดยปัญญาโดยทางพิจารณามาแล้วเนี่ยเวทนาจะเป็นเวทนาไหนมันก็คือเวทนาอยู่อยู่ดีๆรู้แล้วออืสัญญาสังขานมิญญอย่างแต่ละอย่างละอย่างมันก็สักแต่อาการอาการดังที่กล่าวมาแล้วซึ้งด้วยเพราะการพิจารณาของเราหมดความติดใจ หมดความยึดความถือหมดกังวลที่กังวลความความกังวลก็เกิดขึ้นจากความยึดความยึดก็เป็นทิเลสประเภทหนึ่งความกังวลก็แทรกเข้าไปอีกเป็นทิ่เรศประเภทหนึ่งสุดท้ายก็คือความทุกข์รวมตัวแล้วมาเป็นความทุกข์แก่จิตใจเองเมื่อจิตใจได้พิจารณาลงไปโดยทางปสติปัญญาให้แกี่ยงเพี้ยนชัดเจนแล้วถอนออก ก็เหมือนกั น, ก น, กนเราถ อ, ถอดเชียนถอดน้ำออกจากตัวของเรานั่นแหละสุดท้ายก็ไปรวมอยู่ที่จิตจิตก็เป็นสนาม ร, ระหว่างกิเลสกับธรรมคือมัชฌิมาหรือวสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่ไห น, น มีจิตนั้นไม่กว้างขวางมีเพียงความรู้และแสดงอาการแห่งสังขารที่แสดงขึ้นเท่านั้นแล้วดับไปดับไปเพราะจิตไม่หยุดสังขารทั้งมวลแล้วรู้เท่าแล้วเป็นแต่ยจงไงมันก็ต้องมีอาการของมันแสดงขึ้นเพราะสมุทัยมันอยู่ภายในจิตใจต้องแสดงออกมาไม่ยืดยาวก็พอให้ทราบ คือไม่กว้างขวางออกไปภายนอกเหมือนแต่ก่อนก็พอทราบได้ว่าสัขางขารนี่ปรุมมาจากไหนอะไรเป็นสาเหญตปุปรุมขึ้นมาให้เกิดดีเกิดชัว่วให้เกิดรักเกิดชังเกิดความยินดีมันตลบทบทวนกันอยู่ที่นั้นลี่คลายกันอีก่ที่นั่นคุยเฉียวฝุดค้นกันอยู่ที่นั่นฟันกันอยู่ที่นั่นผลสุดท้ายมันก็ทนไม่ไหว นิเรศทั้งมวลที่จุ่มซ่อนอยู่ภายในจิตโดยถือจิตเป็นอุมโมงค์ถือจิตถือจิตเป็นเกาะกำบงังก็ถูกทําลายซะหมดโดยสิ้นเชิงเมื่ออวิชาปฏิญาตสร้างขาราดไปแล้วมันก็เป็นนิรุตชันติเท่านั้นเองวางเลยเมื่อวิชาดับไม่มีเหลือแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสร้างขาราก็มันก็ สังขารก็เป็นสังขารล้วนๆเสียคือขันล้วนๆรูปก็คืออวิชชาหมดไปแล้วปัจจันหมายว่าความเป็นปัจจัยต่อกันนี่เป็นเครื่องหมุนกันไปให้เกิดสังขารสังขารประเภทนี้ก็หมดไปเสียเพราะไม่มีอวิชชาเป็นเครื่องหมุนเป็นปัจจัยอิญญาณความรับทราบก็ไม่ได้รับทราบเพื่อเป็นกิเลสตัณหา วิชาปัญญาสร้างขารสร้างขารปัญญายินญานัิปญญาปัจญ า, า, า, านามรู ป, ปังไปสัมผัสสัมพันธ์เรื่องเรื่องนามรูปหรืออะไรก็ตามจะให้เกิดนามรูปมันก็เกิดไม่ได้เพราะวิชามันดับแล้วจะ อ, อะไรมาเกิดชรายัตนะความสัมผัสสัมพันธ์เรื่อยจะให้เกิดเวทนาจะให้เกิดตัณหามันเกิดไม่ได้เพราะมันไม่ไม่มี เชื้อที่จะพาให้เกิดเบตนาให้เกิดตัญหาให้เกิดพบเกิดชาติจนฉลาสุกับไปรุข ด, ดุมนุปายาสอนะยุ่ข้ารังท่านมาไม่มีเพราะอาวิชะาตเววะเซสวิรากานิโรธาสร้างฆารานิโรโทรเป็นต้นมีดับไปจากนี้แล้วดับไปตลอดสายเลยลมันก็ดับ พ, พร้อมๆกันนั่นแหละท่านหากแยกออกไปเฉยๆเป็นอาการ เราอยากเข้าใจว่าเมื่อนี้ดับแล้วอันนั้นกิงจะดับอันนั้นก็จะดับเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองันดับสามเป็นความเข้าใจผิดเรื่องความโจทย์ความจําจากการศึกษาเราเรียนนั้นยอมรับว่าต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันเข้าใจว่าจะต้องดับไปโดยลําดับหรือเกิดขึ้นต่อกันไปเป็นลูกโซ่ไปโดยลําดับมันอยู่ในด้วยกันนั่นแหละจะแยกเป็นอาการออกไปเวลาดับก็เหมือนกันพอนี้ดับแล้วอะไรอะไรมันก็ดับด้วยกันหมด เหมือนอย่างต้นไม้ที่ถอน ร, รากมันขึ้นมาแล้วนั่นและอะไรมันดับก่อนดับหลังถึงเราก็พอสร้างมันได้เลยมันก็ดับไปพร้อมๆกันแหละกิงมันก็ดับกินมันก็ห่อเหี่ยวไปแล้วก็ใบมันก็เหมือนกันแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปด้วยกันพร้อมๆกันนั่นเองตั้งแต่แตรากแก่หลอกปล่อยขึ้นมาไม่มีอะไรจะตายก่อนตายหลังเลยมันตายพร้อมๆกันไปโดยลำดับนอกจากวัตถุใดที่อยากกว่กันนั่นก็ไปเช่ากันหน่อยแต่มันก็ไปด้วยกัน แต่ถ้าเร็วๆมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละนี่คืเหตตัณหาสภวะเขาเหมือนการอวิชญาพยาสร้างคาราเลยดาบไปพร้อมๆกันหมดไม่มีอะไรเหลือนี่ภาคปฏิบตัติเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะเป็นความจริงขึ้นมาให้หายสงสัยจากผู้ปฏิบตัติทั้งหลายจะต้องเป็นขึ้นจากด้านปฏิบตัติความจำพอเป็นแบบแกนแผนผังเท่านั้น ความจริงเป็นสาคัญที่เราจะต้องปฏิบัติให้รู้จริงเสี่มจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเฉพาะ อ, อย่างยิ่งศีลสมาพวกสมาธิพวกปัญญานี่เป็นธรรมสาคัญมากต่อกิเลสประเภทต่างๆเพราะเหตุไล ก, กิเลสนั้นเมื่อเทียบแล้วก็เหมือนกับค่าศึกษัตรูเราเองกับกิเลสนั้นเป็นค่าศึกษัตรูต่อกันสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องสนับสนุนที่เราจะนำเครื่องมือนี้เข้าต่อสู้กับกิเลสผูที่จะวินิจฉัยไข้ ค, ควรหรือให้รู้จริงๆจริงตามความหมาย อย่างรมของพระเจ้าลึกซึ้งอยาละเอียดจะต้องทราบทางภาคปฏิบัติเพียงคำจำมานั้นทำให้ทราบไม่ได้มันเป็นความจำมันไม่เป็นความจริงอาจจะเทียบแล้วก็เหมือนหนึ่งคนนี้ก็เรียนวิชาทหารวิชารบคนนั้นก็เรียนวิชารบเหมือนกันแต่คนหนึ่งได้ออกสู่แนวรบมาอย่างช่ำชอง อย่างโชคชนชีวิตรอดตายค่อยเหลือมาในระหว่างคนทั้งสองนี้ใครจะมีความคล่องแคล่วแก้วกล้ารู้จักเหตุผลต้นตายความหนักเบาต่อการต่อสู้ในสงครามนั้นได้ดีกว่ากันตลอดถึงเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในสงครามนั้นต่อศัตรูทั้งหลายนั้นซึ่งมีประเภทต่างๆเครื่องมือเขาก็มีเครื่องมือเราก็มี ผู้เรียนผู้มีหลักเรียนหลักวิชาการเฉยจะไม่มีความคล่องแคล่วแก้วกล่าไม่มีความสามารถอาจฐานไม่มีความคล่องตัวไม่มีความำชำเนยชํานาญเหมือนผู้ที่เคยเข้าแนวลบมาแล้วผู้นั้นเป็นผู้ที่เห็นความจริงแล้วด้วยตัวเองนั่นแหละคือภาคปฏิบัติเข้าแนวสู่แนวลบเป็นภาคปฏิบัติตามหลักวิชารบแล้วนะ่งผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่จะ ได้เหตุได้ผลได้ความเข้าใจจากการรบมาเต็มภูมิใจของตอ น, นคิดกับผู้ที่ศึกษาวิทยาการวิชารบแต่ไม่ได้เข้าแนวลบนี่เป็นอะไรการเรียนก็เป็นเหมือนกับเรียนวิชารบเราเรียนปริญญาแต่เราไม่ได้เข้าแนวลบคือไม่ได้ปฏิบัติ ด, ดูจึงไม่รู้ ความลึกตื้นหนาบางของธรรมที่ท่านแสดงไว้ตีความหมายไปไหนด้วยความจําเป็นความผิดไปทั้งหมดผิดกันมากทีเดียวกับภาคปฏิบัติการปฏิบัติด้วยตนเองพิสูจนด้วยการปฏิบัติโดยถือหลักปริยัติเป็นเข็มทิศทางเดินนําหลักธรรมของมุสลิามีสติปัญญาเป็นต้นมาเป็นเครื่องมือฟาดฟันหั่นแหลกกับพี่เด็กประเภทต่างๆ กิเลสประเภทไหนมีความหนักเบาแค่ไหนเช่นราคาตัญหาเวลามันเกิดขึ้นโลภะเวลาเกิดขึ้นโทความโทสะเวลาเกิดขึ้นจะควรปราบปรามมันด้วยวิธีใด น, นักปฏิบัติต้องทราบเวลามันเกิดขึ้นมากจะเป็นกิเลสประเภทใดเราจะต่อสู้กับกิเลสประเภทที่นั้นซึ่งกำลังแสดงตัวขึ้นมากๆนั้นด้วยวิธีการ ขนาดไหนต้องเอาให้หนักมือเพราะกิเลสประเภทนี้รุนแรงมากขณะนี้รุนแรงมากเราจะใช้ความอ่อนแอไม่ได้สติปัญญามสัทธาความเพียรมีมากน้อยเพียงไรจะต้องทุ่มเทลงถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงฉิงถึงความจริงเต็มตัวจึงจะได้ใช้ชนะจากการปราบรามกิเลสประเภทนั้นๆลงได้ เมื่อการทําอยู่ทุกวันปฏิบัติอยู่ทุกวันก็เท่ากับเราเข้าแนวลบอยู่ทุกวันจะต้องเจอกับแง่งอนต่างๆของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภ า, ายในจิตทุกระยะเวลาและมีการต่อสู้รบฟันหัแนแหลกกันอยู่ภายในใจของตนด้วยการปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสาคัญอยู่ตลอดไปเราก็ยิ่งมีความชํชนานิทํานาน ในภาคปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นมาแต่ละครั้งนะั้เป็นความจริงให้เห็นประจักษ์ใจหายสงสัยไปโดยลําดับลำดั บ, ดบตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางจนถึงขั้นที่มุดหลุดพ้นไปได้ดังที่จะอธิบายมาเมื่อสักครู่นี้ว้วนนี้ยตั้งแต่เป็นภาคปฏิบัติที่ว่าอาวิชาปัิญาสร้างข้ารานภาคปฏิบัติต่อวิชาจริงปฏิบัติอย่างไรก็ได้อธิบายให้ังให้ผ่านไปแล้วนั้นแหละคือภาคปฏิบัติภาพเข้าสู่สงครามต่อสู้กับศัตรูด้วย เครื่องมืออันทันสมัยมีสติปัญญาจงกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาเป็นยอดแห่งเครื่องแห่งธรรมที่ทันสมัยถึงปราบภิเลตมัตจักรได้แจวิชาให้สิ้นซากลงไปภ า, ายในจิตใจได้นแล้วเป็นความจริงขึ้นมาอย่างเต็มดวงใจที่กิเลสหลุด พ, พ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นใจที่ทรงความจริงไว้อย่างเต็มส่วน เป็นของอัศจรรย์ดั่งเต็มที่นั่นแหละความจริงเต็มที่อยู่ในนั้นและทราบทั้งเหตุที่เคยดำเนินมาหนักเบามากน้อยอย่างไรกับที่เหลวประเภทต่างๆที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิบาัตาิความหมายขนาดไหนของมัชชิมาคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบความหมายของมัชชิมาได้เป็นอย่างดีด้วยการนํามัชชิมานี้เข้าต่อสู้กับที่เลว กิเลสประเภทไหนมีความรุนแรงขนาดไหนมัชชิมาจะต้องใช้ความรุนแรงขนาดไหนถึงจะพอกันหรือเหนือกิเลสไปได้โดยลําดับผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบได้เพราะทําเองปฏิบัติเองเข้าสู่แนวรบเองจงกนกระทั่งกิเลสหมอบราบไปโดยลําดับลําดับเพราะมัชชิมาประเภทที่ทันสมัยทันสมัยกับกิเลสประเภทนั้นๆจนกระทั่งท ะ, ทะลุ ป, ปลวกไปหมดไม่มีสิ่ ง, งใดเหลือกิเลสเรียบราก เหลือแต่ใครชนะเต็มภูมินี่คือผู้ช่ำชองในแนวรกด้วยการปฏิบัติผู้นี้แลเป็นผู้ทรงความจริงไว้ได้เต็มสัดเต็มส่วนเต็มอัดเต็มทมไม่สงสัยในในเรื่องธรรมทั้งหลาย ม, ม, มีมัชิมาปฏิปทาเป็นต้นว่ามีความหมายแค่ไหนมั่งข้าใจได้เป็นอย่างี ไม่เพียงแต่ศักยวาเข้าใจว่ามัชฌิมาปฏิบัตเดินทางสายกลางมันกลางขนาดไหนมันจึงพอดีกับคําว่ามัชฌิมานี้แยกมัชฌิมาคือศมีศีลสมาธิปัญญานี้เป็นเป็นต้นนี่ไปต่อสู้โ้เขตลองดูสีถ้าเราอยากจะทราบว่ามัชฌิมานี้มีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนมันก็ทราบกันนั่เองเพียงว่ามัชฌิมาเดินทางสายกลางเฉยๆอย่างนั้นมันไม่มีมันไม่ได้เหตุได้ผลอะไร ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับทราบความหมายเพียงเท่านั้นแต่มันเกิดผลเกิดประโยชน์เพราะนำมัชฌิมานี้ออกสู่แนวรบต่อสู้กับกิเลสด้วยตนเองนั่นแหละจึงจะเห็นความจริงขึ้นมาภายในตัวเองแล้วหายสงสัยทั้งคำมมมัชฌิมาปฏิปทาทั้งกิเลสทุก ป, ประเภทที่ถูกปราบด้วยมัชฌิมาปฏิปทาแล้วจะสงสัยไปที่ไหนนี่อะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่อง วัดหรือเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับการปฏิบัติของเรานี้เราอย่าไปคาดไปหมายให้เสียเวลามเวลาความจริงมีอยู่กับเราทุกคนให้นำธรรมนั้นเข้ามาประยุกต์กันกับกิลเลสซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งของมันให้ทันเหตุการณ์แล้วจะทราบความจริงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเช่นนั้นก็จะแบบตั้งแต่ความจําสัญญาอารมณ์รู่ปามันก็ผิดอะไรกับโลกทั่ ว, วไป พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้แบกสัญญาอารมณ์พระสาวกไม่ใช่ผู้แบกสัญญาอารมณ์เป็นผู้ส่งไว้ซึ่งความจริงอย่างพระสัตรุดนั่นเราก็ต้องพยายามอยากเห็นความจริงมีอยู่กับหัวใจดวงนี้แหละไม่อยู่ที่ไหนแหละอยู่ที่ตรงนี้เวลานี้มันไม่ประเสริฐกระเพาะสิ่งจอมปลอมสิ่งสกปกรคลุมลังสิ่งต่ำชา้าเรียบซ้ำทั้งหลายครอบหัวใจอยู่เท่านั้น เมื่อทำละซ า, าสางหรือฟาดฟันอันนี้ออกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเชของ เ, งเราแล้วจิตไม่ต้องบอกถึงเรื่องความดีดตัวขึ้นมานั้นะต้องดีดขึ้นมาโดยลําดับลํำดับจนกระทั่งดีขึ้นมาเป็นอิสระเต็มที่เต็มดวงกลายเป็นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงขึ้นที่ใจทรงไว้ซึ่งความจริงเต็มส่วนหายสงสัยทั้งอดีตที่เคยเป็นมามากน้อยเพียงไร ทั้งอนาคตว่าจะไปเกิดที่ไหนไปตายที่ไหนอีกไม่ว่าแต่อนาคตดังเกิ ด, ด่ังตายอนาคตของขณะต่อไปนั้นวันพรุ่งนี้มรืนเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่มีสงสัยปัจจุบันก็รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างรอบอยู่ในหลักปัจจุบันนี้หมดแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยเพราะอดีตหรืออนาคตก็ไปจากปัจจุบันนี้เป็นตัวสงสัย ไ, ไดตัดหรือได้ทาลายตัวสงสัย ธรรมชาติที่สงสัยอยู่ภายในจิตใจนี้ออกหมดแล้วแล้วอดีตจะไปสงสัยมันอะไรเมื่อปัจจุบันพร้อมแล้วรู้รอบแล้วจะไปสงสัยอดีตหาประโยชน์อะไรสงสัยอนาคตหาประโยชน์อะไรเพราะปัจจุบันนี้เต็มสัดเต็มส่วนแล้วด้วยความจริงยืนกันกันอยู่กับนี้เดียวกว่าสันทิ่ทิโปรู้อยู่ที่ใจนี้แล้วว่ารอบแล้วพร้อมแล้วหรือพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่หิวไม่เอื้อนนี่แหละคือผลแห่งการปฏิบัติจะปรากฏขึ้นที่ิตนี้ขอให้ทุกท่านได้เอาให้ต็มตม้เต็มหรือถอนตนออกจากทุกข์อย่าไปคำนึงว่าความยากความลําบากให้เห็นว่าพิษของทิเลศนั้ น, น่ะเป็นสิ่งที่ทรมานสัตว์โลกให้ได้รับความยากความลำบากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการปฏิบัติประกอบความภาเคเพียรไม่ได้ทําโลกให้โล่มจมไม่ได้ทําเราให้โล่งจุมขี้ผาย เราจะเห็นว่าเป็นความลำบากลำบนไปที่ไหนมันก็เป็นการเสริมกิเลสอย่างส่คล้อยตามกิเลสหลงกลมายาของกิเลสที่เวลาจะประกอบความภาคเพียรเพื่อถอนตนอกอพกพ้นอกจากทุกกลายเป็นความลำบากลำบนที่เห็นว่าเป็นความลำบากลำ บ, ลำบนไปเสียก็คือเราหลงกลมายาของกิเลสทั้งๆ ท, ที่จะฆ่ากิเลสเมื่อหลงกลมายาของมันอยู่อ ย, อย่างนั้นแล้วเราจะฆ่ามันได้อย่างไงนอกจากมันจะฆ่าเราทรมานเราเทนั้นอะแล้วต่อไปนี้ไปท่านสัญญา ไม่เปนปัญหา